ท่านไม่สับปายะกับลูกน้องบริวารของท่านท่านก็บอกว่าหนีเราหนีหลวงปู่ปู่ลีก็เป็นบางช่วงผู้เท่าอึดอัดกับลูกน้องกันหนีแต่โดยทั่วถึงก็เข้าใจกันก็เมตตาลูกน้องบริวาร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 ลงพ่อไม่เคยไม่เคยไม่เคยได้ยินนะลงปู่บุญมียนะ <c oughs> ลงปู่ลีก็เหมือนกันที่อยู่ด้วยกันถึงยังไงยังไงก็มองมอ ง, มองแล้วก็มิตรบอกกล่าวแล้วก็ดุแล้วก็ถอยหลังดุให้แล้วก็ถอยคือไม่พูดมากกว่านั้นอีกคือองค์ไหนที่มันไม่ดีก็อย่างว่าพระมันต้องหลายองค์หลายพ่อหลายแม่แต่ก็ไม่ถึงกับไปกราบเรียนแล้วไป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 หลวงตาท่านเชื่อทีเดียวเลยแต่ท่านไม่พูดท่านไม่ทําอะไรแต่ก็มีไหมมีเอมีพระองค์หนึ่งมาจากทางโน้นนะทางศรีสเกตมาอยู่ด้วยกันหลายปีมาอยู่ก่อนหลวงพ่อมาอยู่ได้ห้าหกปีมั้อไม่มีใครพูดอะไรนะแต่แตาตามไม่จริงจะแกกันนะคุ้มดีคุ้มร้ายแต่นิสัยก็ดีก็ ด, กดีบางครั้ง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 อยู่ที่วัดของท่านก็พร้อมหมดทุกอย่างก็ น, น่าจะกราบประรนาลัตนิมนต์องค์ท่านกลับมาอีกองค์ไหนที่ไม่สบายใจของท่านาก็กราบระหลั น, นิมนต์องค์นั้นออกซะก็ถามท่านกราบเรียนท่านว่าองค์ไหนที่ไม่สบายใจกับองค์หลวงปู่หลวงปู่ไม่สับไปยากบองค์ไหนก็กราบประหลัตนะพระน้อยพระหนุ่มลูกหลานออกซะ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 ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราในพรรษานี้สามเดือนข้าไปเจ้าจงงดปุรีครับไปเจ้าจงงดเหล่าข้าไปเจ้าจงงดอบายมุกข้าไปเจ้าจะไหว้พระทุกวันทําวัดเย็นทั้งเช้าเย็นยองน้อยวาตอนเช้าสักิบสิบนาทีตอนเย็นตอนตอนเช้าสิบนาทีเย็นสิบนาทีแล้วก็จะนั่งภาวนาวันละส0มสิบนาที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 รอเรียนก็อายมืนนยอนไงเอออายไม่กล้าท่องออกเสียงดังเลยไม่กล้าท่องหนังสือเลยฮะเพราะอายหมู่กลัวหมู่จะไปจอบฟังไปดักฟังตัวเองเรียนหนังสือ น, นั่นแหะเพียงแค่นั้นแหละพระจูระบุญบรรทกาเนเกิดมาพบได้ชาติใดเรียนหนังสือไม่ได้เล ย, เยไม่จําเลยเลยเพราะบาปกรรมตัวนั้น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 สมมติว่าขหบดีเศรษฐีพ่อค้ากษัตริ์ทั้งหลายเขามาในมนวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารพระบัณฑิตนี่ก็พี่ชายเนี่ก็เป็นคนแจกพระก็ เ, เอาเท่าไรโยมคนนั้นกษัตริ์เอาร0ออง์เศรษฐีเอา50องค์คนนั้นเอาสามสองค์ท่านก็เป็นคนแจกแจกเสร็จแล้วท่านก็บรนะ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 ตอนนี้พระองก็เป็นดักอยู่หน้าประตูเป็นหน้าประตูดักอยู่หน้าประตูให้แค่ว่าเดนนินแถวๆนั้น่ะแถวหน้าประตูวัดจูบุญบรรทกาญออกไปแต่เช้ามืดเยังไม่สว่างดีไปก็ไปเจอพระพทุทธเจ้าพอดีพระองค์ก็ถามว่าจุลเธอจะไปไหนเนี่ยข้าพระองค์จะไปลาศิกขาพระเจ้าข่าทําไม <c oughs>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 สำเร็จเป็นพระหรหันในเช้ามืดนั่นเลยเอราพอเสร็จได้สำเร็จเป็นพระรหันเสร็จรแล้วพระ พ, พุทธองค์ก็ไปฉันไปฉันพระะหารที่บ้านหมอหมอชีวโกโกโมารพัฒวันนั้นหมอชีวโกโกโ ม, รโกโมรารมัดกมาพัทนิมนพระทั้ง500อเนี่ยไปฉันที่บ้านของเขามีพระพุทธองค์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานตอนนี้พอไปถึง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 ขี่เดินมาอีกวิ่งมาอีกมากะบอกเจ้านายเจ้านายครับโอ้พัดวัดพระอยู่ที่วัดป่าเวลุวันไม่ใช่น้อยนะครับพระเต็มวัดเลยฮะหมอชีววิผไปกล่าวพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าครับคนเขามาบอกว่าพระไ ม, ไม่พระมากนะกับผมไม่ใช่องค์เดียวฮะไปไปดูซิว่าให้ถามดูว่าองค์ไหนท่านชื่อว่าจูฬบันทกะฮะ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 เอจูหมอชีวกไปรกาศพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะมีแต่จูฬาบรรทกะทั้งหมดที่พระ อ, องค์ให้ถามว่าจูฬาบรรทกะก็ตอบจุฬาบรรทกะทั้งหมดพระอยู่ในนั้น่ะจะทํายังไงพระเจ้าค่ะเออไ ป, ไปไปไปบอกอีกนะถ้ากล่าวบอกอท่านองค์ไหนชื่อจูฬาบรรทกะครับผมถ้าองค์ไหนพูดก่อนอาตมารีบไปคว้าแขนเร็วเงี้ะ ไปจับมือท่านเลยไปจับมือขอที่มนต์ไปฉันที่บ้านหมอชีว ก, กโกโมาลพัตค์ับผม mm. ไปจับอ ง, ง์นั้นจับองค์ที่พูดก่อนท่า น, นะนะแล้วก็วิ่งจันไปอีกไปก็ถามท่านครับท่านองท่านไหนที่เป็นชื่อว่าจูรับบัณฑกะครับผมเอออาตมานี่แหละออคน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 อันไหนสวยงามใช่ไหมของเป็นพบ เ, เรื่องพระราชาใช่ไหมท่านก็จเจ ด, ดไปพอ ร, รอบพระราชามันเหงื่อออกไงเหงื่อออกอสมัยนั้นก็คงจะมีฝุน่นเวลาช้างม้าไปนั้ะก็คงจะมีฝุ่นตลบขึ้นมาแต่นี้ก็ฝุ่นก็ตลบเข้ามาถูกใบหน้าของท่านเหงือ่อเขาออกอีกตัางหากท่านก็เลยเอาผ้าเช็ดหน้าอยู่ใน